กฎหรือตัวสภาวะข้อที่สความหมายโดยสรุปเพื่อความเข้าใจเบื้องตน้นเพื่อความเข้าใจอย่างง่ายง่ายกว้างในเบื้องตน้นเห็นว่าควรแสดงความหมายของปฏิจจสมุปบาทไว้โดยสรุปครั้งหนึ่งก่อนคําสรุปของปฏิจจสมุปบาทแสดงให้เห็นว่าหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นกระบวนการเกิดดับของทุก หรือหลักปฏิจจสมุปบาททั้งหมดมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงความเกิดดับของทุกข์เท่านั้นเองคำว่าทุกข์มีความสำคัญและมีบทบาทมากในพุทธธรรมแม้ในหลักธรรมสำคัญอื่นๆเช่นไตรลักษณ์และอริยสัจก็มีคำว่าทุกข์เป็นองค์ประกอบสำคัญจึงควรเข้าใจคำว่าทุกข์กันให้ชัดเจนก่อนในตอนต้นเมื่อพูดถึงไตรลักษณ์ ได้แสดงความหมายของทุกไว้สั้นๆครั้งหนึ่งแล้วแต่ในที่นี้ควรอธิบายเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อศึกษาคำว่าทุกในพุทธธรรมให้สลัดความเข้าใจแคบๆในภาษาไทยทิ้งเสียก่อนและพิจารณาใหม่ตามความหมายในพุทธธรรมที่แบ่งทุกขตาภาวะแห่งทุกเป็นสามอย่างพร้อมด้วยคาอธิบายในพระไตรปิฎกแสดงไว้เพียงชื่อข้อธรรม ไม่ได้แสดงความหมายถ้าเรียงตามพระบาลีคือหนึ่งทุกขทุกขตา 2. สังขารทุกขตาและสวิปริณามทุกขตาในที่นี้เรียงตามที่อธถกถาอธิบายจากคำพีวิสุทธิมัชห 1. ทุกขทุกขตา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 วิปริตนมามะทุกขตาทุกเนื่องโดยความผันแปรหรือทุกที่แฟงอยู่ในความผันแปรของสุขคือความสุขที่กลายเป็นความทุกหรือทำให้เกิดทุกเพราะความแปรรวนกลับกลายของมันเองภาวะที่ตามปกติก็สบายดีเฉยอยู่ไม่รู้สึกทุกข์อย่างใดเลยแต่ครั้นได้เสวยความสุขบางอย่างพอสุขนั้นจางลงหรือหายไป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 แม้เมื่อยังสวยความสุขอยู่พอนึกว่าสุขนั้นอาจจะต้องสิ้นสุดไปก็ทุกด้วยหวาดกังวลใจหายไวหววันรันการเวลาแห่งความสุขผ่านไปแล้วก็หวนระลึกด้วยความละห้อยหาว่าเราเคยมีสุขอย่างนี้อย่างนี้บัดนี้สุขนั้นไม่มีเสียแล้วหนอสาม สังขารทุกขตาทุกตามสภาพสังขารคือสภาวะของตัวสังขารเองหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัยได้แก่ขันห้ารวมถึงมรรคผลซึ่งเป็นโลกุตรธรรมเป็นทุกข์คือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นด้วยปัจจัยที่ขัดแยง้งมีการเกิดขึ้นและการสลายหรือดับไปไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง อยู่ในกระแสะแห่งเหตุปัจจัยจึงเป็นสภาพซึ่งพร้อมที่จะก่อให้เกิดทุกข์ความรู้สึกทุกข์หรือทุกขเวทนาแก่ผู้ไม่รู้เท่าทันต่อสภาพและกระแสะของมันและเข้าไปฝืนกระแสะอย่างทื่อๆด้วยตัณหาอุปาทานความอยากยึดอย่างโง่โงคืออวิชชาไม่เข้าไปเกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อมันด้วยปัญญา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 ความที่กล่าวมาตอนนี้ก็คือบอกให้รู้ว่าทุกข้อที่สามนี้กินความกว้างควางครอบคลุมตรงตามความหมายของทุกข์ในไตรลักษณ์ที่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกขซึ่งอาจจะโยงต่อไปเป็นทุกในอริยสัจโดยเป็นที่ก่อให้เกิดผลของอวิชชาตันหาอุปาทานที่ทำให้ขันห้าในธรรมชาติกลายเป็นอุปาทา น, นขันห้าของคนขึ้นมา ถ้าจับเอาเวทนาสคือสุขทุกขอเบขาซึ่งเป็นเรื่องของความสุขความทุกข์อยู่แล้วมาจัดเข้าในทุกขตาสามข้อนี้บางคนจะเข้าใจชัดขึ้นหรือง่ายขึ้นดังจะเห็นว่าทุกขเวทนานั้นเข้าตั้งแต่ข้อแรกคือเป็นทุกขะทุกขสุขเวทนาเจอตั้งแต่ข้อสองคือเป็นวิปริณามทุกข ส่วนอุเบกขาเวทนารอดมาได้สองข้อแต่ก็มาจอดที่ข้อสคือเป็นสังขารทุกข์หมายความว่าแม้แต่อุเบกขาก็คงอยู่เรื่อยไปไม่ได้ต้องแปรปรวนผันแปรขึ้นต่อเหตุปัจจัยของมันถ้าใครชอบใจติดใจอยากเพลินอยู่กับอุเบกขาก็พ้นทุกไปไม่ได้เพรามาเจอข้อที่สคือสังขารทุกขตานี้ พัทกถาไขความว่าอุเบกขาเวทนาและบรรดาสังขารในไตรภูมิเป็นสังขารทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยการเกิดสลายเป็นอันว่าเวทนาทั้งสามไม่ว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นทุกข์ในความหมายนี้หมดทั้งนั้นหลักปฏิจจสมุปบาท แสดงให้เห็นอาการที่กระบวนการของธรรมชาติเกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่คนเพราอวิชชาตัญหาอุปาทานได้อย่างไรและในเวลาเดียวกันกระบวนการของธรรมชาตินั้นก็แสดงให้เห็นอาการที่สิ่งทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นเหตุปัจจัยต่อกันเป็นรูปกระแสซึ่งไหลวนในภาวะที่เป็นกระแสนี้ขยายความหมายออกไปให้เห็นแง่ต่างๆได้ คือสิ่ง <Alleg> ทั้งหลายมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันสิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วยความสัมพันธ์สิ่งทั้งหลายมีอยู่ด้วยอาศัยปัจจัยสิ่งทั้งหลายไม่มีความคงที่อยู่อย่างเดิมแม้แต่ขณะเดียวสิ่งทั้งหลายไม่มีอยู่โดยตัวของมันเองคือไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันสิ่งทั้งหลายไม่มีมูลการหรือต้นกาเนิดเดิมสุด พูดอีกในยะหนึ่งว่าอาการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏรูปเป็นต่างๆมีความเจริญความเสื่อมเป็นไปต่างๆนั้นแสดงถึงสภาวะที่แท้จริงของมันว่าเป็นกระแสความเป็นกระแสแสดงถึงการประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆรูปกระแสปรากฏพระองค์ประกอบทั้งหลายสัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน กระแสดำเนินไปแปรรูปได้เพราะองค์ประกอบต่างๆไม่คงที่อยู่แม้แต่ขณะเดียวองค์ประกอบทั้งหลายไม่คงที่อยู่แม้แต่ขณะเดียวเพราะไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันตัวตนที่แท้จริงของมันไม่มีมันจึงขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆเหตุปัจจัยต่างๆสัมพันธ์ต่อเนื่องอาศัยกันจึงคุมรูปเป็นกระแสดได้ ความเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องอาศัยกันแสดงถึงความไม่มีต้นกำเนิดเดิมสุดของสิ่งทั้งหลายพูดในทางกลับกันว่าถ้าสิ่งทั้งหลายมีตัวตนแท้จริงก็ต้องมีความคงที่ถ้าสิ่งทั้งหลายคงที่แม้แต่ขณะเดียวก็เป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้เมื่อเป็นเหตุปัจจัยแก่กันไม่ได้ ก็ประกอบกันขึ้นเป็นกระแสะไม่ได้เมื่อไม่มีกระแสะแห่งปัจจัยความเป็นไปในธรรมชาติก็มีไม่ได้และถ้ามีตัวตนที่แท้จริงอย่างใดในท่ามกลางกระแสะความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างแท้จริงก็เป็นไปไม่ได้กระแสะแห่งเหตุปัจจัยที่ทำให้สิ่งทั้งหลายปรากฏโดยเป็นไปตามกฎธรรมชาติ ดำเนินไปได้ก็เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่คงอยู่เกิดแล้วสลายไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันและสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันภาวะที่ไม่เที่ยงไม่คงอยู่เกิดแล้วสลายไปเรียกว่าอนิจจตาภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยเกิดสลาย มีความกดดันขัดแย้งแฝงอยู่ไม่สมบูรณ์ในตัวเรียกว่าทุกขตาภาวะที่ไรอัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่ว่าข้างในหรือข้างนอกของมันที่จะเป็นตัวแกนตัวกลุ่มสิงสู่อยู่ครองเป็นเจ้าของควบคุมสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ปรารถนาได้เรียกว่าอนัตตา ปฏิจจะสมุปบาทแสดงให้เห็นภาวะทั้งสามนี้ในสิ่งทั้งหลายและแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นปัจจัยแก่กันของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจนปรากฏรูปออกมาเป็นต่างๆในธรรมชาติภาวะและความเป็นไปตามหลักปฏิจจะสมุปบาทนี้มีแก่สิ่งทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมทั้งที่เป็นนามธรรมทั้งในโลกฝ่ายวัตถุ ทั้งแก่ชีวิตที่ประกอบพร้อมด้วยรู ป, ปรธรรมนามธรรมโดยแสดงตัวออกเป็นกฎธรรมชาติต่างๆคือธรรมนิยามกฎความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลอุตตนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอนินทรียวัตถุผีชะนิยามกฎธรรมชาติฝ่ายอินทรียวัตถุรวมทั้งพันธุ ก, กรรม จิตตนิยามกฎการทำงานของจิตและกรรมานิยามกฎแห่งกรรมซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษกับเรื่องความสุขความทุกข์ของชีวิตและเป็นเรื่องที่จริยธรรมจะต้องเกี่ยวข้องโดยตรง